เราได้ได้กล่าวหรือว่าในพุทธศาสนาเนี่ยการศึกษาพุทธนักการศึกษาเทคนิควิธีที่จะแก้ไขปัญหาและความทุกข์ของกายของใจให้สูงสุดเท่าที่จะทําได้เต็มความสามารถของเราเต็มความสติปัญญาของเราตํามหักแล้วร่างกายพระธรรมามันไม่ได้ทนอยู่ได้ขนาดนี้เพราะมันทํางานหนักมาตลอดชีวิตแต่มันก็อยู่ได้ก็พ <c oughs> ่อโดยอาศัยหลักการอันนี้ เองก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่ของเราที่มีสติปัญญาความเข้มแข็งและความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ดูแลตัวเองไม่จะไปใช้สแสวงหาสิ่งทั้งหลายมาพุ่มพูนกิเลสตัณหาของตัวเองเป็นการทําลายตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจแต่ถ้าหากเราเสริมหาเทคนิควิธีการทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อ แลก็บอองและพัฒนาศักยภาพของตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยมันถึงจะได้ชื่อว่าเราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเองเมื่อดูแลตัวเองเข้มแข็งและร่างกายและจิตใจสติปัญญามันสมองสติสมญะเพิ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เลอะเลือนไปเรื่อยๆอย่างที่เขาเป็นกันนะ่ยมันมันไม่สมกับที่เราต้องเกิดมาในยุค ที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสูงนะนั้นอย่าลืมว่าต้องไม่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทําลายตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจในพุทธศาสนาถ้าไม่ตระหนักถึงคอนเซปต์อันนี้นะถือว่าเราเป็นคนร้ายสมัยยิ่งกว่าคนโบราณเพราะคนโบราณเขาก็ไม่เจ็บป่วยขนาดนี้ใช่มเพราะนั้นเองก็เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องหมดกายานุปัสสนา การเคลื่อนไหวทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดในส่วนกายวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่อง <c oughs> หมดเวทนา <c oughs> การเคลื่อนไหวของกายภายในภายในกายนะแตไ่ไม่ใช่เรื่องจิตภายในกายของเรามีการเคลื่อนไหวสามระดับแตเมื่อวานพูดไปบ้างแต่ว่ามันยังไม่ได้เจาะโดยตรงและช่วงเชา้านี้พระท่านก็เลย ส่วน เ, เรื่องหมดว่าด้วยเวทนานะเพราะนั้นตัวเวทนาเป็นตัวแปรที่สําคัญในเรื่องของชีวิตเพราะมันเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างรูปกับนามกายกับใจถึงแม้ว่าเวทนาจะเป็นนามแต่มันครึ่งหนึ่งและเวทนาเป็นรูปครึ่งหนึ่งเพราะนั้นการเฝ้าดูเวทนาจึงเป็นการเฝ้าดูรูปนามนั่นเอง ทีการเฝ้าดูรูปนามถ้าดูทางกายเนี่ยคือในส่วนที่มันดูง่ายคือในส่วนการเคลื่อนไหวหยาบกลางละเอียดการในส่วนการเคลื่อนไหวในส่วนหยาบคือมองเห็นได้ด้วยตาการเคลื่อนไหวในส่วนกลางก็คือได้อิริบุตย่อยอย่างหายใจลมปราณแล้วก็ การเคลื่อนไหวเล็กๆนอก้อยภายในตัวที่เราไม่ไม่เห็นได้ถนัดชัดเนี่ยนับตาปากหายใจเลี้ยวซ้เลยขวาก้มงเงยอย่างซ้อย่างขวาที่เป็นไปโดยเรียบบทธรรมดาของเราในส่วนที่ยากคือส่วนที่เราสร้างขึ้นมาเช่นการเดินีกลมกันสร้างจังหวัด ก, การเอื้อมมือไปอย่างมีเจตนาในส่วนหยาบที่เห็นได้ชัด การเคลื่อนไหวในส่วนกลางก็คือการเคลื่อนไหวที่มันละเอียดขึ้นหมายถึงว่าสังเกตได้ยากาแล้วก็ส่วนใหญ่ความเคยชินจะเข้ามาภาพตาปากหายใจเร็วซ้ายไหลขวาเคลื่อนไหวในส่วนย่อยๆเนี่ยที่เราทํากันมาเมื่อวานเพราะนั้นแต่ละวันเนี่ยต้องให้ชัดเจนในบทเรียนนั้นๆเพื่อที่จะเป็นฐานของวันต่อไป เพราะในช่วงสามสองสามวันแรกเนี่ยเราจะให้เข้าใจหลักการเคลื่อนไหวแบบสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสูตรแบบเคลื่อนไหวทื่นั้นเมื่อวานนี้เราได้ศึกษาเรื่องการเคลื่อนไหวในส่วนกายทั้งที่หยาบกลางละเอียดส่วนใครจะสัมผัสได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ฐานหลักคือสตานและความเพียรนะเมื่อสตาและความเพียรเข้ ม, แ, มแข็งก็จะได้เห็น จังหวะของการเคลื่อนไหวทั้งเดินยูกมทั้งสร้างจังหวะและทั้งดีบทย่อยต่างๆเนี่ยได้ชัดนะที่ผ่านมาเป็นฐานของวันนี้วันนี้ก็มาดูตัวของเวทนาเนะี่ยซึ่งเราก็าแยกให้ละเอียดขึ้นในส่วนของเวทนาดังได้กล่าวแล้วว่ามันเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างรูปกับนามระหว่างกายกับใจใจจะ รู้ว่ามีกายก็ก็มีเวทนาเป็นตัวบอกกายจะรู้ว่ามีใจก็มีเวทนาเป็นตัวบอกนะคว่าเวทนาคือการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นการรู้การเข้าไปสัมผัสรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเช่นเรานั่งเรานั่งมานานอะไรบ้างเกิดขึ้นกับกายของเราความหนักความเบาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข้งตึงเจ็บ ปวดแสบคั น, อ, นอึดอัดโลงปรง่งพวกนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ให้เราอ่านทีละอย่างชัดๆไปนะแต่ถ้าเรอาอ่านรวมๆเนี่ยบางทีมันไม่ชัดเราดูเป็นลักษณะรวมๆเพราะนั้นวิธีการอ่านเวทนาก็คือให้เราศึกษาในส่วนที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ ให้ชัดๆว่าขณะนั่งเนี่ยตั้งแต่หัวจุดเท้าตั้งแต่เท้าจุดหัวของเราเนี่ยเวทนาทางกายความรู้สึกทางกายมีอะไรบ้างแค่ในส่วนที่กําลังเกิดความรู้สึกอันไหนที่มันกําลังหนักความรู้สึกอันไหนที่สัมผัสได้ชัดความรู้สึกอันไหนที่สัมผัสได้ไม่ชัดรับรู้ได้ชัดหรือรับรู้ได้ไม่ชัดนะเมื่อ <c oughs> เรา เราตามดูเวทนาแต่ว่าไม่ใช่ตามดูเวทนาแบบเซนเซชันเลยคือไม่แบบที่ของโกร่งการเขาจะดูเวทนาแบบเป็นตารางนิ้วตารางเมสตอนนี้กําลังดูเวทนาทางไหลนะเอาต่อไปย้ายไปดูเวทนาทางไหลซ้ายดูเวทนาทางไหลขวาดูเวทนาที่หลังอะไรไม่ใช่ดูแบบนั้นที่เราดูแบบที่ที่การเคลื่อนไหวเนี่ยแต่เราจะดูของอาการ ไม่ใช่ดูแบบพื้นที่หรือดูแบบสร้างจินตนาการให้เห็นเป็นรูปลักษณะของส่วนใดส่วนหนึ่งของกายอันนั้นเป็นสมถะวิธีการกกเรนกาเขาพูดถึงว่าเป็นวิปัสสนาแต่ความจริงคือมันเป็นสมถะเพราะยังมีรูปเป็นอารมณ์รูปเป็นนิมิตแต่ในวิธีเปินวิปัสสนานั้นต้องใช้นามเป็นอารมณ์นามเป็นนิมิตคือความรู้สึกตัวแต่เวทนาเป็นตัวร่วม ระหว่างรูปกับนามเพราะนั้นในเมื่อดูเวทนาเป็นก็จะรู้รูปรู้นามแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจเวทนาชัดรูปการรู้รูปนามก็ไม่ชัดเพราะนั้นเวลาจะปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยให้เห็นอาการหนักเบาของเวทนาที่เปลี่ยนนะตั้งแต่หัวจุดเท้า อันไหนที่รับรู้ได้ก็ให้รับรู้อันนั้นก่อนเพราะในเวทนาในร่างกายของเราสมมติ ว, ว่ามันเป็นเปลือนเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีหลายยอดใช่ไหมยอดต่ำยอดสูงจนยอดสูงสุด จ, จะมีอันเดียวต้นไม้ขึ้นเป็นพุ่มใช่ไหมมันก็มีหลายกิ่งหลายกา้านหลายยอดทีนี้ท้าในแง่ของการเฝ้าดูเนี่ยตัวไหนที่มันสูงมันพีกเนี่ยให้ดูตัวนั้นก่อน ถ้าเป็นหนึ่งถึงสิบเนี่ยตัวสูงสุดคือตัวสิบใช่ไหมเราไปใส่ใจตัวที่เก้าที่สิบเพื่ออะไรเพราะตัวนั้นมันเป็นเหตุที่จะให้เกิดตัวไม่สบายทางใจด้วยเพราะเราเอาตัวไม่สบายทางกายเป็นอุปกรณ์แล้วปรับแก้ไขขึ้นขึ้นลงลงเราก็ไปแก้ตัวนั้นก่อนเพราะยอดตัวนั้นถูกแก้ไปยอดตัวใหม่ที่แซงขึ้นไปตามนําดับนึกภาพออกไหมตัวนี้ขึ้นไป หล่นลงมาตัวนี้ต่อขึ้นไปสมมุติว่าในขณะ น, นี้ในร่างกายเขาเรามีเวทนาอยู่สิบตัวเนี่ยแต่ละตัวก็คือจะต้องสปิดขึ้นตามกฎของอนิจจังคือโตขึ้นไปไอ้ตัวไหนที่แก่ก่อนไอ้ตัวนั้นหลุดไปคือเปลี่ยนไปไอ้ตัวนั้นก็นไปเริ่มต้นใหม่ <c oughs> อะเริ่มต้นใหม่ แล้วตัวเวทนาที่ตกข้างตั้งแต่สองสามสี่ห้เจ็ดปดเก้ามันก็โ ต, โตโตขึ้นไปใหม่สักพักหนึ่งเราก็ขยับใหม่เมื่อวานลองทดลองดูว่าในช่วงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลองเปลี่ยนเอียบทดั้งสิบเอียบทตั้งแต่ฮับเพียบซ้ายขวาขึ้นไปจนถึงยืนบางคนอย่างอยู่ผู้ชายเนี่ยทนได้นานมากเป็นชั่วโมงบางคนก็เปลี่ยนได้เป็นชั่วโมงโดยที่ไม่ไม่ เปลี่ยนเป็นเดินเลยนะแต่โยมผู้หญิงบางคนไม่ไม่ไมถึงครึ่งชัวง่วโมงลูกคุณไปเดินแล้วแสดงว่าหมดแล้วในสิบใช้หมดเลยพราะใช้หมดไวมากน้องคนหนึ่งเป็นคนใหม่นะเห็นไปเดินข้างหลังหลวงพ่อเลยทักให้ทำให้รีบเดิอนอย่างมันหมดแล้วเหมืน <laughs> อนน่ะหมายความว่าใช้จนหมดเลยรวดเดียวต้องประหยัดใช้มันหน่อยอย่าอย่ารีบใช้มันเราใช้บริการท่านั่งท่าสมมุติท้าเพียบอย่างเงี้ย อลองใช้เวลากันมาดูมันจะให้เรากี่นาทีก็ตามดูมันไปเรื่อยๆ อ, อันนี้สําหรับคนดูเป็นอาจจะมีการยืดหยุนมีการปรับเล็กๆน้อยๆให้มันใช้ยาวๆได้แต่คนใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยเนะี่ยมันแยกไม่ออกอก็ใช้รู้สึกไม่สบายปั๊บฉันก็เปลี่ยนรู้สึกไม่สบายชาัดก็เปลี่ยนรู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนเลยเดี๋ยวที่มีการต่อรองมีการยืดหยุนไม่มีการ <c oughs> ขยับปรับเล็กๆน้อยดูก่อนไปเรื่อยๆก็มันก็หมด มันก็เข้าสู่จิตก็ทนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นไปเดินนะดังนั้นเองอันนี้เป็นบอกแล้วเป็นศิละปะเป็นเทคนิคที่เราจะต้องตามดูให้ละเอียดขึ้นแล้วโดยเฉพาะวันนี้พูดถึงรังเวทนาในตัวสุขเวทนาคือความรู้สึกสบายทุกครั้งเวลาเราเปลี่ยนไปเราก็จะได้รับผลของสุขเวทนาขึ้นมาพอไปสักพักหนึ่งไอ้ตัวสุขเวทนาตัวนี้ก็จะ ตัวต่อไปมันก็จะเริ่มหนักขึ้นมาไอ้ตัวนั้นเปลี่ยนไปตัวต่อไปก็เริ่มหนักขึ้นมาแล้วก็ดูมันต่อไปจนกระทั่งว่าตัวสุขเวทนานี่มันจะเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมสมมุติว่าเรานั่งอยู่ปั๊บเนี่ยเอาพี่เคยปับ๊บสุขเวทนานที่สัมผัสได้จริงๆไม่ถึงนาทีได้ส้่งไปสังเกตไหมไม่เชื่อลองเปลี่ยนดูคนไหนเนืนหนักอะ่ะ แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาเนี่ยจากทุกขเวทนาที่มันหนักๆเนี่ยพอเปลี่ยนปับ๊บเปลี่ยนเป็นสุขเวทนาที่มันเบาแป๊บเดียวใช่ไหมพอสักพักในตัวใหม่มันแซงขึ้นมาแล้วโิมหนักใหม่แล้วก็ตามดูมันไปอีกพอตามดูพอเปลี่ยนปับ๊บไอ้ตัวนั้นหมดไปจนกระทั่งว่าเราเห็นโอสุขเวทนานี่มันไม่เที่ยงจริงๆพอเราเห็น ความเปลี่ยนแปลงของเวทนาชัดเจนเราเข้าสู่การรู้อนนี้จังทุกข์ขันธ์ตาเรียนรู้อันนี้จังทุกข์ขังโดยที่ไม่ต้องพูดถึงลักษณ์ไมพูดถึงนะชื่อเสียงของมันเลยนะแต่เห็นอาการของมันเลยว่าโอ้ความสบายก็ไม่เที่ยงไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าตัวนี้มันเริ่มเริ่มเกิดขึ้นนะเพาการตระหนักรู้การเริยรู้ตัวนี้เริ่มตระหนักขึ้น เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราเปลี่ยนตลอดชีวิตเนี่ยเราไม่เคยเห็นอ น, นิจจงเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ตั้งใจไม่เจตนาดูหมดการไม่ตั้งใจไม่เจตนาดูนั้นเรียกว่าดูด้วยอะอะไรอวิชาอันนาแวอิกนอเขาว่าอิกนอไหมเขาว่ามันเลอะเลยมันไม่ใส่ใจอ่ะเรามาเป็นอิกนอแลนแปลว่าอวิชานะหรือว่าอันอันแวคือไม่ตระหนักรู้ในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นน่ะนะเราใช้อนาแวก็ได้ ไม่ตระหนักรู้ในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับตัวเองว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็จะไม่ขอให้เกิดวิปัสนาปัญญาแต่พอเราคอยตระหนักรู้ใส่ใจเฝ้าดูในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็มีการปรับมีการเปลี่ยนอย่างใส่ใจเราเห็นกระบวนการขั้นตอนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันตัวนี้ก็จะเป็นตัว <c oughs> ทําให้เกิดตัววิปัสนาญาณขึ้นมาเล็กๆขึ้นมา ก่ยอดแล้วก็เวทนาอื่นก็เช่นกันเวทนานุง่างเงี้ยเรานั่งนานๆสุขเวทนาที่เราไม่ใส่ใจมันจะกลายเป็นตัวอะไรตัวสุขเวทนาที่เราไม่ได้รับการใส่ใจมันก็พัฒนาเป็นตัวเพลินใช่ไหมตัวเพลินตัวเองตัวนี้เองจะนําไปสู่ตัวนิวรตัวต่างๆดูว่ากามาฉันทะ นี่วรทั้งห้าเนี่ยมาจากเวทนาทั้งสามตัวเองการมาฉันทา ก, ก็คือพอเราเนาเราเปลี่ยนไปปรู้สึกสบายใช่ไหมพอสบายแล้วก็เพลินพอเพลินก็เร็ว น, นันทิถ้าเพลินตรงนี้อาจจะนําไปสู่การง่วงก็ได้การฟุ้งซ่านก็ได้การสงสัยก็ได้ที่เราไม่ใส่ใจก็เป็นอทุกุขมม่สุขเวทนาหรือมีความหนักความหน่วงอยู่บางส่วนในใจถาพาทนได้แต่เราไม่ใส่ใจมันก็นําไปสู่ตัว ทุกคาสุขเวทนาเหมือนกันนะใช่ั้ยเราแล้วไม่ใส่ใจตัวนี้มันมันอนะไรช่วยกันไม่ได้เลยนะนอกจากเราจะใส่ใจที่จะรู้จริงๆแล้วก็เพลินไปนั่งแล้วก็เพลินสบายฉันก็เพลินไม่สบายฉันก็เพลินก็เป็นจากสุขเวทนาก็เป็นไอตัวเพลินนี้เป็นพอใจหรือไม่พอใจทำให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจตัวเพลิน พอใจเรองนี้เรียกว่าโสมนัสส์วิธนาความพอใจใช่ไหมเมื่อเกิดความพอใจมันก็เพลินในความอาการนั้นพอบนความพอใจในอาการกายพอใจป้บเกิดนั้นที่ความห่วงก็มาอีกแล้วแค่ยากมากเลยตัวนี้มาสังเกตนะมนคนหนักหน่วงมากมากเลยตาจะหนักโดยเฉพาะนอนไม่หลับ ตอเนื่อกันไังสองคืนเนี่ยยวยิ่งทนไม่ไหวเลยจริงๆอันนี้น่าเห็นใจนะคือเพราะว่านอนหลับไม่สนิทอยู่ที่บ้านเราหลับสนิทเ ล, ย, ย, ลยอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงแต่ที่นี่มันอะไรก็ไม่สะดวกแล้วนั่นอนะ่ะไม่สนิทการนอนหลับก็ไม่สนิทเวทนาตรงนี้ก็จะมาเร็วเราไม่อยากจะง่วงมันก็ง่วงเราไม่อยากจะเพลินมันก็เพลินเพราะความคาร์บอนซีทางกายมันไม่พร้อมคาอิบนซีมันอ่อนอินซีเราเราไม่เข้มแข็งมีวิธีการก็ทําไงก็อัพ กำลังมันขึ้นมาหายใจลึกๆลืมตากว้างๆปรับเนื้อปรับตัวอย่าอย่าอย่าอยู่ในนิบทเดิมนานอันนี้วิธีแก่ไม่ใช่ไม่มีวิธีแก้นะไม่ใช่ยอมจํานวนมาทั้งหมดนะต้องพยายามหาวิธีดินลลนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คนนั้นเคยนั่งสมาธิมาเป็นประจำโดยเฉ้าะช่วงเช้าช่วงก่อนนอนตื่นนอนมาฉันก็นั่งสมาธิทีนี้พอจิตมันหมุนมาสู่รอบอันนี้ปับ๊บมันเคยเข้าสู่โหมดเดิมเมื่อวานพอถึงเวลานี้ปับ๊บจิตมันก็จะเข้าสู่ความสงบโดยที่ไม่รู้ตัวเลย อันนี้จิตของเราที่มันเคยทําณเวลานั้นสิ่งนั้นเป็นประจํามันจะเป็นความเคยชินเรียกเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของจิตของมันนี้ถ้าเรามาทําการตื่นรู้เนี่ยเราก็ต้องแก้ไขไตัวนี้ให้ได้แก้ไขโหมดไอ้ตัวนี้ให้ได้ถ้าแก้ไขไตัวนี้ไม่ได้มันก็จะติดอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะอันนี้คือเรื่องความจําของจิตที่มันเป็นสัญญาเราต้องแก้สัญญาตัวนี้ให้ได้เอาชีพตัวนี้ออกไปเพื่อที่จะเปลี่ยนชีพใหม่ เป็นตัวรู้ตื่นขึ้นมาซึ่งจะต้องมีการช่วยมันหน่อยคือใส่ใจต่อสิ่งที่กําลังเกิดนี่ที่นี่ในตัวเวทนาตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเวทนาคือความเบาเบากายถ้าเป็นสุขเวทนานะแล้วเราก็ไปเพลินไปพอใจกับความเบากายนี้ก็เป็นโสมนัสเวทนาและโสมนัสเวทนาเราก็ยังไม่ตามรู้อีกเพราะสติกาลังของสติไม่พอกำลังของการกระตุนตัวเองไม่พอ ไปสู่ตัวนันทินันทิปแปล ว, ว่าอะไรความเพลินนะเพราะนันท่ตรงนี้เราก็ยังไม่ใส่ใจอีกก็เป็นก่อให้เกิดความพอใจที่มากขึ้นเสพเรียกว่านันทิราคะาและตัวนันทิราคานี่เองมันจะไปสารตั้งต้นของกามฉันทะเป็นตัวที่หนึ่งของนิวรห้าเพราะนั้นนิวรห้ามันจะเกิดจากสุขเวทนาสมรนทะเวทนา นันทินันทีราคะมันเป็นตัวลำดับที่ห้าเลยนะแต่ว่าเราไม่มีความละเอียดพอเราไปเสพตัวที่ห้าเลยตือที่หนึ่งสองสามสี่เราเราไม่เห็นเลยเพราะเราขาดความอะไรแยบคายขาดโยนิโสมณสิการไม่ได้ดูต้นกำเนิดว่าไอ้ตัวความรู้สึกห่วงจัดๆของฉันมันมาบ่อยเหลือเกินมันมาอย่างไรถ้าเราจี้เข้าไปในการที่ศึกษาตรงนี้เรียเกิดโยนิโสมณสิการ ซึ่งจำเป็นมากเลยตัวนี้โดยเฉพาะการศึกษาตัวเวทนาถ้าเราไม่เกิดตัวนินโสงฆนะสีการหรือตัวแยบคาอย่างชัดเจนนะมันก็จะไหลต่อไปนั่นที่ราคะก็กลายเป็นกามะฉันทะคือความพอใจในอารมณ์นี้เสพในอารมณ์นี้บ่อยๆจนแต่ว่า พอพึงกรรมะฉันทาเราเราก็ยังไม่จะหนักรู้ว่าจะแก้ไขมันนะแล้วก็เสีมันต่อไปตัวนี้ก็เกิดมาเป็นสารตั้งต้นของเขาว่าตันหาอเพราะอะไรเพราะมันมีการขนขวายมีการอร่วมเสพสสู่ในในอาการอันนี้เป็นกามะตันหาเกิดขึ้นนะเห็นไหมมันมันมันยืดไปเรื่อยๆในสุเวทนาเดียวๆนะ ถ้าหากเราไม่ตามรู้มันพัฒนารากรู้มันลึกเข้าไปเรื่อยๆเพราะพัฒนาเป็นกามตัญหาก็กลายมาเป็นตัวอะไรเป็นตัญหานูใสครับอ่าลงมีนิสัสในการที่จะเสพในสิ่งเรก็จะยาบขึ้นในแงน่ของการขวนไคว่ความพอใจรักสวยรักงามรักของอะไรอร่อยมันจะมา ถ้าของอร่อยสั่งสมของของสวยๆงางําสั่งสมอาหารดีๆสั่งสมของใช้ที่ถูกใจกลายเป็นตัวโลภานุใสกลายเป็นโลภะเห็นไหมจากสุขเวทนาตัวเดียวนะที่ไม่ตระหนักรู้มันยืดขึ้นไปเป็นโลภะเป็นโลภานุใสและโลภานุใสตัวนี้เราก็ไปสำคัญมั่นหมายเป็นเดาเป็นของเราขึ้นมา ในสิ่งนี้เอออันนี้นะกล้องนี้เป็นของฉันนะใครมาแตะไม่ได้นะเสื้อ น, นี้เป็นของฉันนะใครมายุ่งไม่ได้นะไอ้ตรงนี้สบู่นี่ของฉันนะอย่าไปใช้แฟ้งซีฝันเนี้อแข็งอย่าไปใช้นะก็เป็นกามุอะไรกามมปาทานเข้าไปสําคัญสิ่งที่ตัวเองและสิ่งรอบของตัวเองเป็นของตัวเองเป็นกามมปาทานกามมปาทานเราก็ยังไม่มีสติและมีปัญญาที่จะตามเข้าไปรู้อีกอย่างลากต่อไปเป็นกามานุ a l l y โอ้วหไม่ใช่กามาเป็นกามาสวะดูมลองลองลองลำดับดูนะอันนี้ไหนๆเราพูดถึงเรื่องราและเอียดเรื่องนี้แล้วนะว่ากันให้ให้สุดทางมันไปเลยเวทนาเบาๆที่เรารับรู้ได้แต่และครั้งที่เราเปลี่ยนเนี่ยโดยที่เราไม่รับรู้ไม่ได้ตระหนักรู้มันเนี่ยมันเป็นตัวเข้าไปสู่จิตละเป็นสุขเวทนาอันที่สองใช่ไหมพอสุขเวทนาคือความพอใจใน ไอ้ความสบายกายอัน besser, นี้เรายังไม่ตามรู้อีกก็อให้เกิดเป็นนันทิความเพลินนันทิตัวนี้เพลินแล้วเราก็ยังไม่พยายามกระตุกพยายามแก้พยายาม asing, ที่จะปรับมันเป็นนันทิราคะแล้วก็มาเป็นราคะเต็มตัวแล้วมาเป็นกามราคะแล้วมาเป็นตันหาเป็นกามตันหาแล้วมาเป็นโลภะแล้วมาเป็นโลภานุสัตแล้วมาเป็น กาอะไรกามุปาทานกามุอาทานก็ยังไม่จะหนักรู้อีกยังไม่ทันอีกเป็นกามาสวะสิบตัวโอ้โหากมันลึกเลยใช่ั้ยตัวเดียวนิดเดียวแค่เสพควา ม, มความสบายทางกายแค่นิดเดียวเนะี่ยมันไปยาวเลยพอไปกามานใสแล้วเออเป็นกามาสวะเป็นไงยากที่สุดเป็นลากที่ลึกที่สุดถอนไม่ขึ้นแล้วเพราะคนจึงเป็นไปด้วยขวคว้าสแสวงหาสิ่งที่พอใจกัน ตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ไม่มีมันลากมันลึกอ่ะเพราะอะไรเพราะการไม่มีสติสมัจหนักรู้แค่ความสบายเพียงนิดเดียวเนะี่ยแล้วมันก็สืบทอดๆกันไปเรื่อยเหมือนกับเราโยนหินดวงไปในสระน้ำปอกเนะี่ยมันก็เกิดการขึ้นวงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดขยับไปเรื่อยๆเราจะโยนหินอย่างไรที่แตะพื้นน้ำโดยที่ไม่เกิด วงของสั่นสะเทือนไม่เกิดไวเบลชันของการกระทบเราจะโยนยังไงครูอ๊อฟปฏิบัติมานานแล้วต้องรู้วิธีเราจะโยนหินอย่างไรที่กระทบน้ำโดยที่ไม่เกิดวงของคลื่นโยนอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์นะทีใครจะคิดได้บ้างโยมหุ่น โยนหินอย่างไรที่จะกระทบน้ําโดยที่ไม่เกิดวงของกาสั่นสะเทือนของเคยเห็นใช่ไหมเวลาโยนน้ำปับ๊บการสั่นสะเทือนของแต่ละวงเท่ากันเลยนะไม่เบี้ยวเลยนะใช่ไหมสังเกตไหมวงเท่ากันเลยเราจะโยนลงไปอย่างไรโดยที่ไม่เกิดวงนี่ใครจะตอบได้โยมพี่ชัยครับไม่ได้ต้องมีคนตอบได้ให้ได้เพราะอันนี้คือเทคนิควิธี แตรบได้จับวางเบาๆบง่ายๆไม่ยากเลยแต่มันมาติดคขว่าโยนโยนมันต้องหนักแน่นอนแต่ก็โยนเบาเบาได้ในวางเพาะลงไปแทบไม่กระเทือนเลยเหมือนกันการสัมผัสการกระทบสัมผัสถ้าการจับโยนกับกับวางเบาๆบเนี่ยอันไหนได้ใช้สติอันไหนไม่ต้องใช้สติ แบบโยนไปเลยไม่ต้องใช้สติใช่ไหมแต่การที่จะจับวางเบๆต้องได้ใช้สติ <c oughs> ฉันเดียวกันการกระทบสัมผัส ต, ต่ออวัตวะ น, นั้นต้งหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะต้องรับสัมผัสแบบที่มีสติเข้าไปรองรับคือจับวางอย่าให้มันกระทบกระแทกให้เต็มที่เมื่อมีการกระทบแตะเต็มที่ขึ้นเราต้องยอมรับผลว่าต้องเกิดการสั่นสะเทือนต้องเกิดการเกิดไวเบเลชั่นคือการ อ่าสันดเฉือนของคลื่นที่เป็นต่อเป็นลูกคลื่ น, นจากคลื่นเล็กเป็นคลื่นใหญ่จากคลื่นละเอียดเป็นคลื่นหยาบจากคลื่นหยาบเป็นคลื่นใหญ่ขึ้นมาตามลําดับเหมือนกันเวทนาที่มันสันสเทือนในอายตนะตะหกตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นการสันสเถือนไปสู่ก็ให้เกิดตัวอันนี้จากนั้นเอง กฎของมนิจังคือคือคือการสั่นเสียงนี่การไหเวียนตลอดเวลาตัการกระทบเพราะนั้นการจะทบทุกจุดจึงมีบทบาทสําคัญมากต่อเวทนานนี้ต้องศึกษากันรายละเอียดอย่างนี้นะถ้าไม่งั้นไม่เห็นความสําคัญของมันแต่ถ้าเราเรารู้แล้วแต่แล้วมันก็ยังไม่เวิร์กอ่ะยังไม่เป็นผลอ่ะเราก็นั่งง่วงเงียอยู่ทําไงก็แสดงว่าเราขาดอะไรขาดศรัทธาและความเพียรที่จะศึกษาเรียนรู้ ต้องย้อไปตรงนั้นเสมอนะถ้าเราขาดศรัทธาและความเพียรเช่นอย่างการเรียนรู้ของเราเป็นผลไหมไม่เป็นผลนะไม่เป็นผลเพราะฉะนัน้นนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนบอดตรงนั้นไปเลยก็ไม่ไม่เวิร์กนะมันก็ทําให้เราล่าช้าในการศึกษาเอาละทีนี้มาดูว่าตัวสุขเวทน า, าเองนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยนสิ่งนั้นเป็นสุขและเป็นทุกข์ ท, กทุกข์ขังพันเตอันนี้เป็นการซักถามกันระหว่างปัญจวิเครียงหกับพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าแสดงอันดั้ตลัคนาสูตรใช่ไหมอันดั้นแต่ลัคนาสูตรท่า น, นก็ซักถามเป็นสูตรที่หลังจากฟังธรรมจักแล้วเนี่ยท่า น, นก็ซักถามว่าความสบายนี้ทเที่ยงหรือไม่เที่ยงง่วงเที่ยงหรือไม่เที่ยงความง่วงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เราจะต้องการไปสุขและเป็นทุกข์ตามการเป็นสุขแต่เรายังทุกข์อยู่เพราะความม่วงเราเป็นยังไงก็ขาดสตินั่นเองนะขาดสติสัมปชัญญะดังนั้นจุดนี้เองจึงทําให้เราต้องขวนขวายศึกษาเพิ่มความเพียรเพิ่มความตั้งใจเพิ่มความศรัทธาที่จะเรียนรู้ให้เข้มแข็งทีเดียวนะเมื่อ ความรู้สึกสบายไม่เที่ยงมันเปลี่ยนมาเป็นจากสุขเวทนามาเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาเพราะไม่เที่ยงเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะนั่งสมมติเราเปลี่ยนแป๊บเนี่ยเป็นงไง นั่งให้ตรงนั่งให้ตรงนั่งตัวให้ตรงคนข้างหลังเนี่ยอย่านั่งกม้มนั่งกม้มนั่งตัวให้ตรงตร ง, ตรงหายใจใลึกๆเปลี่ยนบ้างอรู้จักจเปลี่ยนใช่ไหมแม่ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ก้าวหน้าดินในไหนเสียเวลามาแล้วก็ต้องให้มันศึกษาจรงิจรงจังเมื่อเวทนาที่เป็นสุขเวทนามาเปลี่ยนทุกขเวทนาที่นี่มาดูทุกขเวทนานะมันจะมีรากเหมือนไอตัวนี้ไหมความไม่สบายทางกาย ถ้าเราไม่ตระหนักรู้ไม่ตามรู้ไม่ศึกษาไม่เข้าใจไม่เฝ้าดูไม่สังเกตเนี่ยตัวทุกขเวทนามันจะเกิดตัวเวทนาต่อไปอะไรเมื่อกี่สุขเวทนาก่อให้เกิดโทโสมมานัสสะใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกขเวทนาบางคนจะเกิดเป็นโทมนานัสสคือความไม่พอใจอถ้าสุขเวทนาถูกเบรกใช่ไหมกาลังทานอาหารอรอ่ อ, รอยๆเป็นไง ใครเรียกไปทำงานปั๊บถูเปละโอ้โหข้าอร่อยอยู่ดีดมุนหิตเลยจากอร่อยดีๆเป็นไม่อร่อยทันทีเลยเนี่ยเป็นทุกขเวทนาเราไม่ได้เจริญสติมาก่อนเนี่ยพอรู้สึกไม่รู้สึกไม่พอใจปั๊บตัวทุกขเวทนานี้ก็เกิดพัฒนาเป็นตัวอะไรปติอาปฏิฆาเกิดขึ้นปฏิฆา เราปฏิคังฉุนนิดหนึ่งนะไม่พอใจนิดหนึ่งเราก็ไม่มีการตระหนักรู้ไม่ไม่ได้สติอีกตัวปฏิฆาก็พัฒนาเป็นตัวพยาปาทะเป็นตัวที่สองของนิวรณ์แล้วใช่ไหมนี่ตัวที่สองของดวารากเดิมขึ้นใหม่มาจากความรู้สึกไม่สบายกายก่อนแต่เมื่อความรู้สึกไม่สบายกายไม่ได้ถูกตจำรู้เปลี่ยนเป็นความไม่สบายใจความรู้สึกไม่สบายใจไม่ตระหนักรู้ เปิี่ยน่าเป็นไม่พอใจไม่พอใจไม่ตระหนักรู้กับไม่พอใจขยับขึ้นอีกนิดหนึ่ง mm. ก็เป็นขยาบาทั้งงุนหงิดนะงุนหงิดแล้วก็ขุนมัวเกิดปฏิ้าขยาบาทัตัวที่สองเพราะนั้นตัวที่สองของนิวรห้าต้นตอเข้ามาจากตัวไม่สบายกายนั่นเองไม่สบายใจแล้วเกิดไม่พอใจแล้วเกิดความ ผูกในความไม่พอใจเข้มขึ้นเป็นพยาปาทะแล้วพยาปาทาตัวนี้เราก็ยังไม่มีการตรักรูก้ก็พัฒนาเป็นตัวระหว่างโกรธกับโทสะโกธากับโทสะเนี่ยความรู้สึกสองตัวนี้อันไหนอันไหนอันไหนคนจะมาก่อนระหว่างโกรธกับโทสะเนี่ยโกรธมาก่อนใช่ไหมหรือโทสะมาก่อนเอาพูดถึงความเข้มของมนันเอาระหว่างโกธากับโทสะเนี่ยตัวไหนเข้มกว่ากันความรู้สึก โกรธเข้มกว่าใช่ไหมถ้าโกรธเข้มกว่ามันก็จะต้องมาหลังโทรศัโทรศไม่พอใจนะไม่พอใจมันต้องมาก่อนแล้วก็โกรธต่อเพราะฉะนั้นอายุของตัวท่านนี่จะยืดความขุ่นมัวจะยืดยาวกว่าโทรศัใช่ไหมโทรศัพมันอาจจะแป๊บเดียวก็หายไปแต่โกรธท่านนี่ชันขุ่นต่อเลยเอาไปคิดต่อแล้วไม่พอใจตัวนี้ก็เป็นโกรธเห็นไหมจากโกรธจากโทรศัพมาเป็นโกรธอ่าโกรธพอโกรธแล้ว กายมาเป็นตัว <c oughs> ที่จะเอาชนะพัฒนามาเป็นตัวมานะตัณหาแต่โทสะมันจะพัฒนามาเป็นตัวมานะถือตัวถือตนมีอัตตา ตัวตนขึ้นเป็นเป็นมาเพราะฉะนั้นตัวสร้างอัตตาตัวตนที่เห็นชัดเด่นขึ้นคือตัวโทสะนั่นเองเป็นมานะแล้วก็มาเป็นมานานุใสยยึดในความเป็นตัวตนใครมาแต่ต้องใครมากระทบใครมาก็อะไรด้วยดีเมทางที่ไม่ดีนี่ไม่ได้เกิดสําคัญมั่นหมายตัวตนขึ้นมาว่ากูทําไมฉันเป็นอะไรอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาตัวนี้เกิดเป็นมานะแล้วเป็นมานานุใสผุขึ้นมาและมานานุใสตัวนี้ก็จะเกิดเป็นอัตวาทุปาทาน คือสําคั ญ, ญยึดมั่นหรือมั่นในตัวเองเข้มขึ้นนะอัตวาทุปาทานตัวนี้แต่ว่าตัวราะคะวิกิพัฒนามาเป็นตัวกามูปาทานใช่ไหมแต่ตัวนี้พัฒนามาเป็นอัตวาทุปาทานอาจจะเป็นสมัยที่เราไม่คุน้นะคือความยึดมั่นถือมั่นในในตัวตนมากขึ้นเพราะมันมาจากมานะ <c oughs> อัตานั่นเองและอัตวาทุปาทานตัวนี้ก็พัฒนามาเป็น ภวาสวะกามาสวามิกี้ี่ยอนนี้พัฒนามาเป็นทวาสวะตัวโทสาตัวเดียวเนะี่ยพัฒนาจากความสุขทุกเวทนามาเป็นอะไรโทรมณสเวทนาพัฒนามาเป็นปฏิฆะพยาปาทะมาเป็นโทสมาเป็นโก ท, มโทมมนะมาเป็นมานะเป็นมานานุใส มาเป็นอัตวาทุปาฐานมาเป็นกะภาวาสวะถูก น, น, นสิบรากเลยนักกลัวไหมเพราะนั้นความไม่สบายเล็กๆน้อยๆที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ขาดการสังเกตขาดการบริหารจัดการด้วยสติสมาธิมันจะพัฒนาลึกลงไปถึงภาวาสวะเป็นรากที่ละเอียดลึกสิทิเป็นรากฝอย ถ้าเป็นรากแก้วรากใหญ่เนี่ยพอดึงมาปุ๊บเนี่ยมันก็มาทั้งยวงเลยใช่ไหมแต่รากฝอยที่มันขาดไปติดอยู่ในดินเน่ยมันก็ยมีเชื้อที่ให้ก่อให้เกิดหน่อใหม่อีกพน้นตัวรากฝอยทั้งหลายนี่เป็นกามาสวานะดังนั้นแต่เราทั้งหลายที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ตระหนักรู้ไม่ได้ลึกลึกรู้ไม่ได้ตามดูไม่ได้ตามสังเกตในสิ่งเล็กๆ็ ก, กน้อยๆเหล่านี้มันก่อให้เกิดตัว การขยายรากลึกลึกลึกลงไปเรื่อยๆนะทีนี้เราว่าถึงเวทนาสุขเวทนาพัฒนาไปถึงเป็มที่ของมันสิบกว่ารากเห็นไหมแล้วก็ทุกเวทนาที่เราไม่ได้ตามรู้ไม่ได้ตามดูตามเห็นก็พัฒนาไปตั้งสิบกว่ารากทีนี้อันเวทนาที่สามเรียกอะไรสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วที่เราสวดเมือ่อกี้อาทุกขมาสุ ข, ขังเวทนาเวทียามีติปะชานาติใช่ไหมเมื่อ อทุกขมไสุขเกิดขึ้นก็ให้รู้ให้ชื่ว่าอทุกขมไสุขเกิดขึ้นสุขกเวทนาก็ดีทุกข์เวทนาก็ดีเราคอจะนึกภาพมันออกว่ามีภาพอย่างไรแต่อทุกขมไสุขเวนามเป็นภาพอย่างไรตื่นความรู้สึกอย่างไรใครบอกถูกความไม่สุขไม่ทุกข์อะเป็นภาพอย่างไงสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงอาการเป็นยังไงเราก็มาสรุปว่าเป็นเฉยๆใช่ไหมเอรู้สึกตัวรู้สึกเฉยๆไม่ใช่รู้สึกตัวนะ เรื่องนี้คุณว่าไง ช, ชอบหรือไม่ชอบผมไม่เฉยๆคําว่าไม่เคยคาว่าเฉยๆจะว่าพอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่รู้สึกเฉยๆอืมเพราะฉะนั้นอทุกข์ขมสุขกัปตนานพัฒนามาเป็นตัวความรู้สึกเฉยๆเนยความรู้สึกที่ความจริงออามาไม่ให้ความหมายใหม่ว่าร่างกายเนี่ยมันเฉยไม่ได้หรอกมันไม่สุขก็ทุกไม่ทุกข์ก็สุขใช่ไหมแต่ว่ามันจะละเอียดหรือจะหยาบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความ ไม่สุขไม่ทุกข์ของทางกายเนี่ยคือมีเราไม่ใส่ใจนั่นแหละคือไม่รู้ทั้งสุขทั้งทุกข์ตัวนี้เ็าเรียกว่าเป็นอุเปขาเวทนาเฉยแต่ว่าไม่ได้เฉยแบบรู้นะหลวงพ่อเจ้าคุณพยุทธ์ท่านความหมายดีท่านบอกว่าเฉยเมยคืออุเปขาเวทนาแต่ถ้าเป็นอุเปขาสามโพชงเป็นเฉยมองเอเอเฉยแต่มองดูอยู่นะลักษณะนี้เป็นตัวปัญญาใช่ไหม คืออุเเกขาสารพ่อชงแต่อะไรเกิดขึ้นชันก็ไม่รับรู้ทั้งสิ้นเนี่ยเฉยๆอะ่ะไม่ใส่ใจไม่รับรู้สุขเกิดขึ้นชั้นก็ไม่รับรู้เนื่องจากว่ามันบางเบาการที่เราเข้าไปเฉยเมืออย่างนี้เรียกว่าอทุกข์กมาสุ ข, ขแล้วเราไปตั้งหม้อหุงข้าวก็ไปเล่นอย่างอื่นใชไหมเลยไม่ได้ใส่ใจหม้อหุงข้าวจนกระทั่งหม้อ ไฟมันดับหรือน้ํามันแห้งมองเข้ามันไหมอย่างเงี้นะก็เกิดจากความเฉยเมยไม่ใส่ใจแต่ถ้าเราเฉยมองก็นั่งรู้มันเฉยเฉยมองดูอยู่ว่ามันจะสุขหรือไม่ถูกอะไรมันจะเสียหายนี่คืเลยเฉยมองดูอยู่อาการสุขทุกเวทนาในกายในใจเนี่ยบางครั้งมันไม่เข้มอพอทนไดใช่ไหมสุขก็ทนได้ทุกข์ก็ทนได้ก็ก็มองมันอยู่แต่พอมันจะทําท่าจะไม่เข้าท่าแล้วใช่ไหมเข้าไปจัดการนี่เรียกว่าเฉยมอง แต่เฉยเมยนี่ไมมันจะขึ้นอย่างไรมันจะลงอย่างฉันไม่สนใจตรงนี้เรียกว่าอะทุกข์มาสุขเวทน า, นาพัฒนามาเป็นตัวอุเปขาเวทนาเมื่อกี้สุขทุกข์พัฒนามาเป็นโทมนานัสสะโสมนานัสสะใช่ไหมตัวอทุทกามาสุขพัฒนามาเป็นเรื่ออะไรอุเปขาเวทน า, นาและให้เข้าใจให้ชัดว่าตัวอุปขาไม่ใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวอวิชชา ดังนั้นปู่เปขาเวทนาจึงพัฒนามาเป็นตัวโมหะอ่าใช่ไหมตัวโมหะเพราะไม่ใส่ใจตัวโมหะและตัวโมหะตัวนี้ก็พัฒนามาเป็นโมหานุใสโมหานุใสตัวนี้จะไปเร็ว น, นะเวลาไม่พอโมหานุใยนี้เราไปยึดในความเฉยเมยเป็นคนเฉยคนเฉ ย, ค น, เฉยคนชมคนอะไรที่เราว่ากันนะใช่ไหมเป็นคนทื่อทื่อุถอถอถมถมไปก็เป็นตัวเป็นโมหะเป็นนิสัยละ โมหาหนุสัยและโมหาหนุสัยตัวนี้ก็พัฒนาเป็นทิฏฐิสมคัญผิดเป็นกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างยาวเพื่อราคาโทสะโมหะใช่ไหมเพื่อยางกลางก็ตันหามานาทิฏฐิเพราะนั้นตัวไอ อ, อุทกเมสุขเวทนานี้พัฒนามาเป็นตัวทิฏฐิจากทิฏฐิก็พัฒนามาเป็นทิฏฐา น, นุสัยพัฒนามาเป็นทิฏฐุปาทาน อุปทานในสําคัญมั่หมา ย, มายนะแต่คนก็รบกันคนก็ขัดแย้งกันด้วยตัวโมหะคือมีความขัดแย้งมีความสําคัญผิดในคิดว่าตัวเองเห็นถูกคนอื่นเห็นผิดแล้วพัฒนามาเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมจากทิฏฐานุไสทิฏฐุกฏฐานมาเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องสหัสการสําหรับในพุทธศาสนาแล้วและมิจฉาทิฏฐิตัวนี้ก็มาพัฒนาเป็นอวิชาสวะ รากต่ําสุดเลยใช่ไหมเพราะนั้นแต่ละตัวเนี่ยรากมันยืดยาวเพียงแต่ไม่ใส่ใจความสบายไม่สบายความรู้สึกเฉยเฉยไม่ใส่ไม่ใส่ใจของสามตัวแค่นี้มันพัฒนาใช่ยืดลงไปแล้วมันถึงการมาเป็นความยุ่งยากในเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตยังไงตอนนั้นพุทธเจ้าท่านให้กลับมาตัวต้นหนักรู้คือตัวเอาสติเป็นฐาน ใช่ไหมธรรมะทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยท่านไม่ได้เอาเป็นฐานเลยนะท่านเอาตัวนี้เป็นฐานตัวเดียวคือสติปัฏฐานไม่มีปัญญาปัฏฐานสมาธิปัฏฐานศีลปัฏฐานเมตตาปัฏฐานไม่มีแต่เอาสติปัฏฐานแล้วคุ้มคนปากกันเลยใช่ไหมใครมันบอกว่าศีลปัฏฐานเนี่ยเป็นเรื่องแปลกและปัญญาปัฏฐานเป็นเรื่องแปลกเอาสติปัฏฐานขึ้นมาหลวงพ่อเทียนจึงประกาศเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดชีวิตของท่าน แต่มันหลายบริบทหลายเวอร์ชันของเหตุการณ์ก็แปลงพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันท่านก็เอาความตัดสือของท่านทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มีมาก่อนพุทธความรู้เหล่านี้ลำดับเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าตัดสู้หรือหลังพระไตรปิฎกมีมาก่อนพระุทธเจ้าหรือหลังฟังให้ดนะีคำว่าพระไตรปิฎกมีมาก่อนพระุทธเจ้าหรือหลังพระุทธเจ้าตัดรู้หลังดี มาบัญญัติเอาตั้งเท่าไหร่สังคายนาแต่ละครั้งก็ยังไม่เกิดสติปัฏฐานแต่มาบันทึกจารึกเป็นพระไตรปิฎกหลังจากพุทธปฏิพานธไปแล้วในการสังคายนาครั้งที่สามมีการจารลงพระเป็นพระไตรปิฎกเมื่อเวลาผ่านไป450ปีถึงมารวมเป็นตำรับตำราแต่ก่อนหน้านั้น คือการปฏิบัติแล้วก็สายทอดกันด้วยกันทรงจําจากประสบการณ์พอเปลี่ยนมาเป็นสังกายนาเป็นตัวหนังสือปับ๊บมีการขยันขนาน ม, มาเรื่อยๆจากเล่มเดียวกลายเป็นสี่สิบห้าเล่มแปลเป็นภาษาไทยจากเล่มเดียวกลายเป็นเก้าสิบเล่มเต็มตู้เลยใช่ไหมขยายมาเรื่อยๆแล้วผ่านมาเป็นเวลาสองพันกว่าปีนี้คือความยุ่งยากของเรา เราก็ไม่รู้อันไหนของจริงอันไหนของเทียมอันไหนของแท้อันไหนของกึง่งทิยมกึ่งแท้กึ่งเทียมเราไม่รู้จนกว่าเราจะต้องมาปฏิบัติมาตระหนักรู้สิ่งนี้ได้ตัวเองโดยมาตอกย้าอยู่ที่สติปัฏฐานและขณะนี้เรากำลังพูดถึงฐานที่สองคือฐานของอะไรเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาสับหนึ่งอนุปัสนาสัหนึ่งสติปะหนึ่ ง, งฐานสับหนึ่งบวกกันเวทนา อนุปัสนาสติแล้วก็ฐานสี่คำมันบอกไปคำเดียวเวทนานุปัสนาสิบฐานเป็นที่ตั้งของการตามระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยในร่างกายของเราเรียกว่าเวทนาเพราะนั้นในที่นั้นใช้คำว่าสังเกตว่าอนุปัสนากายานุปัสนาเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าอนุปัสนาอนุ แปลว่าตามดูตามปัศนาแปลว่าดูอนุปัศนาแปลว่าตามดูไม่ได้เข้าไปเพ่งดูไม่ได้เข้าไปกำหนดดูไม่ได้เข้าไปโฟกัสหรือเข้าไปจ้องดูแต่เข้าไปตามดูคำว่าตามดูเหมือนเราตามดูสัตว์สักอย่างตามดูไก่ตามดูกาตามดูหมาตามดูแมวเนี่ยกลับไปล็อกคอไม่ให้มันเดินเนี่ยต่างกันไหมคุณทองถ้าเป็นล็อคอมัดมาเลยไม่ให้มันเดินกับตามมันดูไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้มันสบายกว่า คนดูก็สบายคนถูกดูก็สบายเหมือนกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายของเราเราตามดูเท่านั้นนะตามหลักเดิมนะแต่พอเรามาสอนกันเปนไงกําหนดรู้เพ่งดูจ้องดูเฝ้าดูหลายคำแต่สับดิงว่าตามดูตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดเรียกว่าเวทานานุปัสนา คือตามดูความรู้สึกในกายในใจและความรู้สึกในกาย ใ, ใจของเราก็มีสามอย่างดังที่กล่าวแล้วคือสบายบ้างไม่สบายบ้างกึ่งกึงกลางๆบ้างเขาเรียกว่ทุกขมสุขเวทนาและทั้งสามอย่างก็พัฒนาเป็นกิเลสที่หยาบกลางละเอียดกิเลสหยาบคือราคาโทสะโมหะพัฒนาไปละเอียดกลางคือตัณหาโมหะทิฏฐิพัฒนาเป็นกิเลอย่างละเอียดกามสวะภวิชาสวะและอวิชชาสวะกลายเป็นกิเลสหยาบกลางละเอียดทีนี้ เมื่อมันมีเวทนาทั้งสามตัวละเอียดก็ต้องมีคู่ปรับจะ อ, อะไรมาปรับที่นี้ามาปรับจากไตรเวทนาไตรลักษ์ตัวไตรลักษ์นั่นเองถ้าจะถามว่าอะไรเป็นต้นกำเนิดของตัวเวทนาทั้งสามถ้าขย้อนขึ้นไปหน่อยนะเรารู้ว่าเวทนามีสามก็จริงมันต้องมีที่มาใช่ไหมอะไรคือที่มาของเวทนาทั้งสามสุเวทนาเกิดจากอะไร เอาละทีนี้ทุกคนต้องเปลี่ยนอิบุตรุขึ้นยืนเอาเห็นหกันชัดๆเลยนะความรู้สึกที่นั่งเมื่อกี้กับความรู้สึกที่เดี๋ยวนี้ต่างกันไหมพอจะบอกกันได้ไหมรู้สึกต่างกันอย่างไรความรู้สึกที่นั่งเมื่อกี้รู้สึกหนักหรือเบ า, าหนักเมื่อรุ้ขึ้นแล้วขณะนี้รู้สึกหนักหรือเบา ความเบาเกิดขึ้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเราเรียกภาษาบาลีว่าอะนี่จังเพราะนั้นที่มาของสุเกนาคืออะนี่จังอ้าวและเรายืนอย่างนี้ไปนานๆสักชั่วโมงนี่ความรู้สึกจะเหมือนเดิมนี่ไหมไม่เหมือนเดิมและอันนี้จังตัวนี้เองถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนด้วยสติสัมยะให้มันเปลี่ยนเขามาเด่มันไกลเปลี่ยนไปเป็นอะไรทุกขังคือความไม่สบายมันเปลี่ยนเข้ามาเองนะ เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันเปลี่ยนของมันเองเพราะฉะนั้นทุกขังก็ให้เกิดทุกขะเวทนาอานิจจังก่อให้เกิดสุขเวทนาแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ให้เกิดอะไรอาจทุกขมะสุขเวทนาเพราะอทุกขมสุขเวทนาจึงเป็นที่มาเหตุของมันขึ้นมาจากคําว่าอนัตตาคือไม่แน่ว่ามันเป็นอะไรสุขก็ไม่ใช่สุขก็ไม่เชิงเป็นที่มาของมันใช่ไหม อ่าเสร็จแล้วลองเริ่มเดินอยืนได้หนึ่งนาทีเวลาเราเปลี่ยนไปนั่งบ้างเอานั่งลงรู้สึกตัวไปได้นั่งไหมบางคนตามลําดับบางคนปุ๊บลงเลยนะแค่เนี้ยก็คือความต่างของแต่ละคนแล้วว่าบางคนได้เห็นวิธีนั่งตามลําดับบางคนบอกว่านั่งปุ๊บนั่งไวเลยลัดจากหนึ่งไปเป็นสิบ พอจะนั่งจากสิบมาเป็นหนึ่งดังนั้นเองตรงนี้คือความต่างของสติสมัมปัญะของศรัทธาและความเพียรของแต่ละคนให้เห็นโดยละเอียดนะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาในวันนี้ว่าถ้าเราไม่ใส่ใจต่อความสบายไม่ใส่ใจต่อความไม่สบายและไม่ใส่ใจทั้งสองอย่างสุดทุกข์ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจ มันต้องมีการพัฒนาไปตามลําดับแน่นอนพัฒนาเป็นกิเลสอย่างอย่าพัฒนาเป็นกิเลสอย่างกลางพัฒนามาเป็นกิเลสอย่างละเอียดแล้วในสุขทุกขเวทนาดูนะในสุขเวทนามีที่มาคือตัวอนิจจ์มีการเปลี่ยนแปลงถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองมันจะกลายไปเป็นทุกขุถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันมันจะกลายมาเป็นเป็นอะไรดี ถ้ามันเปลี่ยนสุขเวทนาถ้าไปยืดมันโดยที่ไม่รู้มันจะเกี่ยมมาเป็นสุขหรือโทมสมนุนธะเวทนาใช่ไหมแต่ในกรณีนี้เออเนี่ยสุแล้วก็รู้ว่ามันสุขมันก็จะเ ป, ปลี่ยนแปลงมาเป็นสติอ่าเ ป, ปลี่ยนแปลงมาเป็นสติก็กําเนิดจากตัวนี้เองเพราะเกิดการตามดูอนุสติกายานุปัสนาเพราะการตามดูสุขเวทนาตัวสติจึง เกิดขึ้นทุกขเวทนาคือความไม่สบายทางกายถ้าไม่มีสติตามรู้มันกลายเป็นโทมนัสัเวทนาแต่ถ้ามีสติสัมยะเข้าไปตามรู้ตามดูควาเห็นมันกลายเป็นสมาธาิตัวสมาธิเกิดมาจากการตามรู้ทุกขเวทนาคนไหนตามรู้ทุกขเวทนาบ่อยๆนานๆตัวนั้น สมาธิของนั้นก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในการพัฒนาสมาธิแต่ไม่ได้ไหมายความบังคับทุกเวทนานะตามรู้ความไม่สบายนั่นเองมีเท่าไหร่พอทนได้ตามรู้มันไปเรื่อยๆพ อ, อเปลี่ยนปับ๊บสุขเวทนาเกิดสติเกิดอีกพอตั้งใจดูปับ๊บทุกเวทนาเกิดตามรู้ไปเตาเท่าที่เราทนได้สมาธิเกิดอ่าเห็นไหมสติสมาธิตัวไตรสิกขาเกาให้เกิดไตรเวทนาไตรเวทนาเกาให้เกิด ตัวไตรลักษณก็เกิดตรเวทนาเวทนาก็ให้เกิดดวงไตรสิขาและตัวสิขาทั้งสามตัวก็เกิดมาจากตัวตามดูตัวนี้เองเมื่อเราไปตามดูด้วยความไม่ชัดของกายของใจตามดูถ้าหากว่าไม่ตามดูมันกลายเป็นอุเปข่าเวทนาใช่ไหมแต่ถ้าเราไปตามดูอาการสบายไหมสบายความไม่ชัดก็ตามดูตลอดพอเปลี่ยนไปความไม่สบายกึ่งๆกลางมันเพลินมันสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงมันไม่เพลินแต่เราเข้าไปดูอาการอ้อ สุขทุกเวทนาที่ทูนได้มันเป็นอย่างนี้เองไม่เพลินมันกลายมาเป็นอะไรปัญญาสติสมาธิปัญญาก็เกิดมาจากเวทนาทั้งสามและเวทนาทั้งสามก็เกิดมาจากอะไรคุณนพดื่มหรือยังเวทนาสามเกิดมาจากฟังอย่างสนุสืมเป็นอย่างนี้เห็นไมไม่ชัดเลยต้องฟังให้ชัดๆเลยนะ่ะก็เกิดมาจากไตรลักษ์นั่นเองต้องจำใหทัทนทีเดียวในเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ และถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วโอ้โบางทีบรรลุทําเลยนะพ่อเฮลัยบ่าจึงกล่าวอย่างนั้นขอย้อนไปในเรื่องประวัติศาสตร์หน่อยพระสาลีบุตรที่เรารู้จกักหลายคนเคยได้ยินชื่องท่านไหมพระสารีบุตรคู่กับใครนะพระโมคคัลลท่านเป็นเลิศทางไหนเป็นเลิศทางปัญญาพระโมคคลลาเป็นเลิศทางทางลิตใช่ไหมทีนี้เรามาดูเบื้องหลังว่าพ่อเฮลัยท่านจึงเป็นเลิศทางปัญญา พระสารีบุตรเดิมนั้นชื่อเดิมสมัยท่านเป็นขนาดชื่อว่าอุปติษฐ์อันนี้คนคนวัดคนว่าหน่อยนะจะรู้จักชื่อเดิมของพระสารีบุตร อ, อุปติษฐ์ท่านอุปติษฐ์ตรงนี้เดิมท่านเป็นหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาดมากแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าโกริตะหรือโมฆะนาณะในเวลาต่อมาแต่เนื่องจากว่าทั้งสองท่านถึงจะเป็นหนุ่มแต่ว่าเป็นคนหนุ่มที่มีการศึกษา แล้วก็แสวงหามีครูบาอาจารย์ที่ที่คนหนึ่งชื่ออะไรสนชัยอาจารย์สนชัยปริภายชกอาจารย์สนชัยเนี่ยเป็นอาจารย์ทีนี้เอเราก็ประกอบธุรกิจทําการทํางานแล้วมันก็เกิดความสับส น, นวนวายเกิดความทุกข์ก็เกิดความเบื่อหน่ายก็เอาปัญหาเนี่ยไปปรึกษาอาจารย์สนชัยอาจารย์สนชัยก็สอนแบบอของ และที่ในสมัยนั้นนะปริภายชกก็เลยวันหนึ่งก็มาบอกกับเพื่อนว่าโอ้เราคือก่อนที่จะคุยกับเพื่อนเรื่องนี้เพราะว่าไปดูละครเรื่องหนึ่งใช่ไหมไปดูละครแล้วว่าถึงบทโศกก็โซกไปกับเขาถึงบทรักก็รักไปกับเขาถึงบทเหี้ยมือโหดก็โหดไปกับเขาถึงบทอยากก็อยากไปเขาจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปเปลี่ยนไปอะไอย่างเนี้ยการเฝ้าดูจิตเปลี่ยนไปเกิดความสลดเอออันนี้เราเป็นอะไรตัวเขาเนี่ยเขาแสดงนะแต่เรามันของจริงอ่ะ เราร้องไห้จริงๆแต่ไอ้คนที่มันแสดงมันแสดงใช่ไหมไม่ใช่ร้องไห้จริงแต่ทำไมไอ้สิ่งที่เราถึงถูกหลอกขนาดนี้จิตล้วไปดูละครสแสดงบ่นรักแล้วก็รักกับเขาสแสดงบ่นโสดแล้วก็โสดแต่ความรักความโสดที่เกิดจากความรู้สึกของเราเป็นของจริงใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาสแสดงต่อยต้านจะถ้าเป็นของจริงหรือของเทียมของเทียมเราโง่หรือเขาฉลาดโง่โง่งยิ่งดูยิ่งโง่ เพราะไม่มีสติในการดูใช่ไหมเพราะนั้นคนส่วนให ญ, ญ่ก็ถูกเมาด้วยสิ่งเหล่านั้นแล้วคนเราก็เลยไม่ฉลาดเนี่ยพอเกิดสติแบบนี้ปับ๊บเอานี่ดีกว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราลองเสาะหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เราพบแล้วก็จริงคือสนใจเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทําให้เรารู้จักความรู้สึกอย่างนี้และไม่ได้ทําให้เราพัฒนาจากสิ่งนี้เรานัดกันว่าไปเสาะหาครูบาอาจารย์ถ้าใครพบก่อนมาบอกกันนัด ก, นกันกับเพื่อนคือท่านโกริต่า ก็ดังคนดังไปวันหนึ่งในขณะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็มาแสดงธรรมราชุ ม, มาแสดงกับพ่านเปญวะคีทั้งห้าเญวะคีทั้งหถ้าเราเป็นชาวพุทธเราคงจำชื่อท่านได้ใช่ไหมมีใครบ้างโกนทัญญะวัปปะพัธิยะมหานามะ อาชชิอันนี้สําหรับคุณวัดคุณวานะคนไม่วัดไม่ว่าก็เยอะเหมือนกันว่อะไรไม่รู้ว่าจากไหนในห้คนนี้นะคนในยักวปะป่าพัทยามหานามาอาชิชิทีนี้ในสาวกทั้งห้าคนเนี่ยหลังจากบรรลุธรรมฟังธรรสองกันเท่านั้นเองกันแรกก็ธรรมจากอวัตตะลณสูตรใช่ไหมการที่สองก็คืออันนั้ตะลักขณาสูตรที่เราว่ามามีขี้ว่าความสบายไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกขนะ์น่ะอันนั้นคือมาจากอั น, นตะลักขณาสูตรเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ส่ง สาวกทั้งห้าทั้งพระองค์ออกไปเผยแพร่บอกไปคนละที่นะอย่าไปทางเดียวกันการประกาศพระาศาสนาจึงเริ่มต้นขึ้นณนะบัดนั้นนะไปคนละเส้นไปคนละทางท่านพระอุททะก็ไปทางหนึ่งวัปปะก็ไปทางหนึ่งพัทิยะก็ไปทางหนึ่งมหานามะก็ไปทางอัจฉริเป็นคนสุดท้ายก็ไปทางหนึ่งไปพอดีท่านอัจฉริไปหมู่บ้านของนารันทคามของหมู่บ้านของท่านอุปติสะโกลิตะพอดี ไปบินทบาทในสมัยนั้นนะักบินทบาทก็อย่างที่เราเห็นทุกวันเนี่ยำรวงบ้างไม่สํำรวงบ้างบางคนก็เรียกว่าเดินแบบพระธุดงสําำรวมทีนี้พอท่าน อ, อุปติสัตได้ออกมาเชา้าได้เห็นพระองค์นี้เดินอัจฉริะเดินไป เดินนิ่มเดินสวยแล้วก็สัมรวมไม่เหมือนกับสมณะท่านอื่นเดินเก ก, กะคุยกันไปโด่งเลงเดินเรียวว่างเดินแต่ประหลาดประลาดแต่โอนี่เดินนิ่มเดินแบบดูแล้วสวยดูแล้วสบายตาก็อยากเข้าไปถามว่าท่านมาจากสำนักไหนมาจากใครเป็นอาจารย์ของท่านใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน <c oughs> จะเข้าไปถามอย่างนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ท่านกําลังบินธบาตพี่ข า, าจารย์อยู่จะเข้าไปตรอง น, นี้คงไม่สวยก็เลยตามไปห่าง จนกระทั่งท่านไปวิทยบาบทได้เข้ า, าได้กับพอสมควรแล้วก็มานั่งฉันใต้ต้นไม้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีวัดอะ่ะเช่นมานั่งฉันต้นไม้ก็รอให้ท่านนั่งฉันเสร็จพอท่านสันเสร็จก็เข้าไปเลยเข้าไปถามว่ า, วาคุณเจ้ามาจากวัดไหนใครเป็นอาจารย์ของท่านแล้วทำที่ท่านสอนสอนว่าอย่างไราถามหลายหลายอย่างแต่สรุปได้อย่างเนี้ยท่านพระอาชาชัชฉิ ก็เป็นพ้าใหม่พึ่งบรรลุธรรมใหม่ๆม่ก็บอกว่าว <c oughs> ายสุขอมามเองก็พึ่งบนใหม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคงจะอธิบายอะไรราละเอียอะไรไม่ได้มากอย่างที่ท่านถามหรอกวายสุคนี้ก็เป็นคนฉลาดเพราะคุณเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องนะั้นขอให้พูดย่อๆก็แล้วกันผมก็จะเข้าใจได้ก็เลยพระอาจาชีคก็เลยกล่าวภาษาของนธนายเยธรรมาเหตุปะหะเตสังเฮตุมตถาคต เตสัญจะโยูนิโลโถจะเอวังวาทีมหาสมมโนเขี้นี้อุบัติสัมมนปเกตเลยเราฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่อง <laughs> เดี๋ย ว, ว่าเดีกเกตเดี get, ๋ยไม่เกตไม่รู้เรื่องอีกต่างว่าเอวังบาทีมหาสมบอกว่าอาจารย์ของเราสอนอย่างนี้นะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใ น, ในโลกล้วนจะมีเหตุเกิดมันจะเกิดเองไม่ได้ไม่มีคําว่าบาังเอิญในคําสอนของ อาจารย์ของฉันเนะ่ยเราจะทําในสิ่งที่ทุกข์ก็เพราะเราสร้างเหตุให้มันทุกข์เราจะสิ่งที่สุกขก็สร้างเหตุมันสุขเราจะสร้างที่มไม่ให้มันทุกข์ไปสุขเลยก็สร้างเหตุของมันถ้าสร้างเหตุได้อย่างนี้นั่นแหละนี้อาจารย์ของฉันสอนอย่างนี้เอวังวัติมหาสมโนโอ้ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยถ้าอธิบายมากกว่า น, นี้แต่ย่อๆแค่นี้เนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมคือหมายถึงว่าเข้าใจอะ่ะ เข้าใจว่าชีวิตนี้มันมาอย่างไรมันต้องมีเหตุเหตุทั้งมันคืออะไรเหตุทั้งเราคิดมาอย่างเหตุทั้งเราไม่คิดไปอย่างแตกฉานเลยในที่สุดอละล่ะเดี๋ยวผมจะไปพบอาจารย์ของท่านตอนนี้อาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่อนุยะอนุปยยะอัมภวั น, นสวนมสวนมะม่วงของนายอนุในในอ น, อใ น, อนุในอนุปีเนี่ยในอนุปยยะอัมภวันแปลว่ามะม่วงใช่ไห ม, อ, ไ ม, อ, ม อ, อัมภะแปลว่ามะม่วงอัมภวันพักอยู่ที่สวนมะม่วงของนายอนุ ไปหาท่านที่นั่นนายอนุปีนี้ก็สร้างกระต้อพระเลขอัน่ะให้พระพุทธเจ้าอยู่เสร็จแล้วก็ก่อนที่จะไปพบพระพุทธเจา้าโธตมะสมณะก็เลยไปส่งข่าวนี้กับเพื่อนคือโกริตัดอกอดี๋ยี้ฉันพบพระองค์หนึ่งนะก็พูดให้ฟังผมเข้าใจนะเข้าใจว่ายังไงกระสูธนากับเพื่อนแล้วอธิบายให้เพื่อนฟัง ท่านกุลิตาเออผมก็เข้าใจได้เหมือนกันงั้นเราไปพบอ่าแต่ว่าผมยังมีธุระอ่ะจาจัดการบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวไปด้วยกันนะพอถึงเวลาก็าไปพบผพู้ดีเจ้าหลังจากนั้นผู้ดีเจ้าก็าสแสดงธรรมทั้งสองอย่างทั้งสองท่านได้ดวงตาเห็นธรรมนะคือหามายความว่าเป็นพระโสดาบันรู้จักรู้จักนามแล้วคือรู้จักเวทนาที่เราเรียนกันมาเ น, นี้รู้จักตามรู้เวทนารู้จักเห็นเวทนาทางกายท้งใจ แค่เนี้ยได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจลูกนน้ำได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสุนทรบัณเสร็จแล้วก็เลยเอาเมื่อเป็นอย่างนี้ผมขอบวชอทั้งสองเนี่ยขอบวชเลยแต่ก่อนจะบวชเนี่ยเอาข่าวเรื่องเนี้ยไปบอกกับลูกน้องบริวารเสียก่อนต่างคนก็มีลูกน้องบริวารเพื่อนฝูงเยอะใช่ไหมคน ล, 250ลนะสองร้อยห้าสิบคนก็เอาข่าวเรื่องนี้ไปบอกลูกน้องบริวารน้องหาลูกน้องบริวารมาเฝ้า ผู้ที่ชาติแล้วังธรรมฟังธรรมปรากฏว่าลูกน้องบริวารทั้งหลายก็ได้ดวงตาให้ทําเหมือนกันทั้งสองท่านก็เลยพระโกริตะมาจากตระกูลชื่อว่าโมคขลาก็เลยตั้งชื่อว่าโมคขลานะพิขุอุปติสสะมาจากตระกูลชื่อมาจากตระกูลชื่อว่าสาลีก็เลยตั้งชื่อว่าพระสาลีบุตรสาลิบุรบตรพิขุ นะก็ได้เป็นชื่อสายหรือบุตรมคขรานะอย่างที่เราเห็นทุกวันนี่นะ <c oughs> ทีน่นี้เรื่องของเรื่องมันก็คือที่มันจะเกิดเรื่องเนี่ยลุงของท่าน่ะลุงของท่านพระอุปติสารหรือพระสารีบุตรเนี่ยตามปกติเขามีลุงเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเจ้าระที่เหมือนกันได้สนนธรรมกับลุงเรื่อยแต่ไม่ค่อยชอบหลักการของลุงเพราะมันแปลกๆพอหลานหายไปสิบกว่าวัน ลุงก็ตามหาเอ๊ะทำบติเราสนธนาธรรมเขาทุกวันหลานหายไปไหนก็ตามดูตามไปตามมาได้ข่าวว่าไปบทกับสมณ ะ, ะโคตมะก็ตามไปที่อนุปยยัมพวันก็หน้านั้นหน้าแรงเนี่ยาษาริบุตรบทให ม, ม, ม่แต่ได้ดวงตายเห็นธรรมเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมนะก็ถวายงานพัดพระพุทธเจ้าที่รับแขกในลุงคนนี้ชื่อแว่าทีคารคะ นามะกุลอคิเวสนะทีคานะคาอคิเวสนะน่ะมาจากโคดนะแต่ชื่อเต็มว่าทีคานคาอคิเวสนะโคะมาจากตะกุลชื่อว่าอคิเวสนะเสร็จแล้วก็ตามไปดูปรากฏว่าหลานของตัวเองกำลังถวายงานพระพุทธเจา้าแล้วเข้าไปถามว่าสมณะโคตมะท่านสอนอะไรตั้งุติหลานของผมเนี่ยมันไม่ได้เชื่อใครง่ายๆนะ เถียงผมก็ยังไม่ไม่ลงกันเลยจนแบบนี้พ่ะพุทธเจาก็ย้อนถามว่าเราเถียงกันเรื่องอะไรสอนกันเรื่องอะไรจนเข้าใจยังไม่ได้เขาย้อนถามคือได้ข่าวว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเมื่อกันนะหลักการของท่านคืออะไรท่านถามอนี้อคิเวสนะก็บอกว่าหลักการของผมเนอะสิ่งไหนถูกต้องสิ่งนั้นต้องถูกใจสิ่งไหนที่ถูกใจสิ่งนั้นต้องถูกต้องสิ่งไหนมันขัดใจสิ่งนั้นไม่ถูก และสิ่งไห น, นมันถูกใจนั่นแหละผมถือว่ามันถูกต้องผมเคยสอนของผมอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกเออถ้าท่านเกิดมีศัตรูคนหนึ่งที่ต้องจัดการให้ได้เนี่ยเมื่อท่านฆ่าศัตรูของท่านได้ถูกใจของท่านใช่ไหมถูกแต่ว่าทางสังคมทางโลกเขายอมรับได้ไหมยอมรับไม่ได้หรือบางทีท่านเป็นโรครายเป็นมะเร็งหมอต้องผ่าตัดการที่ท่านไปผ่าตัด ให้เอามาเร็งออกท่านพอใจไหมหมอทำกับท่านท่านพอไม่พอใจแต่มันถูกต้องไหมถูกก็โรคมันหาย อ, าอย้ายังไงความพอใจความถูกใจได้ถูกต้องต้องจำก็ไม่ใช่ดิสักกันไปถามกันมาหลายเรื่องปรากฏว่าพระพุทธเจ้าซักไปสมัยยอมจํานนหมดเลยว่าหลักการอันนี้เวทนายังไม่ใช่ศธสนาขั้นสูงสุดยังเป็นศธรรมเบื้องต้นเพราะนั้นท่านไปเชื่ออย่างนั้นไม่ได้ แต่โลกทั้งหลายทั้งปวงก็ยังใช้ลทัทิของทีขานัขา่จนถึงทุกวันนี่ใช่ไหมฉันก็ทําตามใจของฉันนะถ้าทำตามใจคุณถูกถ้าพูดอะไรขัดใจจะคุณไม่ใช่ถ้าอะไรที่มันไปตามที่ฉันต้องการคุณใช่ทุกวันเราก็ยังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ลทัทิดั้งเดิมของลุงภาษาเรบุตรเราไม่ได้ถือละทิพุทธเจ้าหรอกนะนับถือลุงของภาษาเรบุตรยังใช้กัอยู่ถือทุกวันเนี่ยเราพูดอะไรดีๆใครมาขัดใจลองดูขึ้นเลยใช่ไหมตึกเลย อ่าเราของที่เราถูกใจใครมาใช้ร่วมดิใครมาขำมวยไปสิไปไงตึกเลยเห็นไหมนี่คือเรา ย, ยังถือละทิอันนั้นอยู่อ้าวเมื่อไปอย่างนี้ก็ยอมจำนนแก็ย้อนถามว่าอ้าวท่านสอนอยังไงสาหรับเรื่องนี้ภูริยะก็พูดถึงเรื่องเวทนาที่เราสอนมาตั้เช้าเนี่ยสุขังเวทนังเวทยียะมโนสุขังเวทนังเวทยียามีาติปัชย์จิเมื่อความรู้สึกสบายเกิดขึ้นให้รู้ชัดๆว่า คามสึกสบายคือขึ้นให้รู้ให้ชัดทุกครั้งเวทนาเว ท, ทียะมโนเมื่อเกิดความรู้สึกไม่สบายขึ้นมาทุกครั้งเวทยามีติประชาติให้รู้ชัดๆว่าความรู้สึกไม่สบายกําลังเกิดขึ้นกับเราแล้วนะให้รู้เท่านั้นเองเวทนามไม่ใช่ไปตามให้รู้มันให้เห็นมันให้ศึกษามันถ้าคุณไปตามเนี่ยมันก็อย่างที่คุณเป็นนั่นแหละคือตามใจตัวเองตามกิเลสตัวเองแล้วโลกทั้งโลกมันก็เกิดสงครามอย่างที่เห็นเนี่ยต่างคนต่างจะเอาแต่ใจตัวเอง เจ้าประเทศนู้นไม่พอใจประเทศนี้เจ้าฝั่งเหลืองไม่พอใจกับฝั่งแดงเจ้าฝั่งแดงไม่พอใจกับฝั่งเหลืองไม่ตามใจฉันใช่ไหมก็ได้ลบไปอย่างที่เราเห็นแล้วความยุ่งยากของประเทศชาติเป็นยังไงความยุ่งยากของครอบครัวเป็นยังไงความยุ่งยากของสังคมเป็นยังไงความยุ่งยากของโลกเป็นยังไงอย่างที่เราเห็นเพราะถือลัฐที่ของทีฆานะคาเราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมดังนั้นก็จะไปร่วมรัฐที่กับเขาสิแต่เราก็ไปร่วมกับเขาเพราะพวกเดียวกัน พวที่ชอบใจแบบแดงก็ไปแดงพวกที่ชอบใจแบบเหลืองก็ไปเหลืองได้แยกขุมแยกขายแยกค่ายกันตามความรู้สึกที่เป็นเวทนาเห็นไหมมันมีผลร้ายขนาดไหนพุทธิยถาแสดงขอบขายเรื่องนี้ทั้งหมดปรากฏว่าคนที่เก็ตอย่างสูงสุดอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังนั่เองแต่คนที่เกตเพ่องเบื้องต้นที่คณขะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแต่คนข้างหลัง ได้ศูนยบาลแล้วเก็ดเป็นพระรหันต์เลยด้วยการฟังธรรมเทศนาชื่อเวทนาเปิดขหายสูตรจากนั้นได้เลยพบขุมของปัญญามหาศาลแล้วท่านจึงเป็นเลิศทางปัญญานี่ที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นใครก็ตา ม, ตามศึกษาเรื่องเวทนาที่เกิดในกายนจะปัญญามันจะขึ้นมหาศาลเลยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญามันเข้ามาตลอดเวลา ได้เวทนาเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมกระทบตลอดเวลาน้ําบางครั้งถึงเราโยนหินโยนอะไรลงไปถึงกระทบครั้งแต่เวทนารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมกระทบตาหูจหมุกลิ้นกายใจของเราตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อเรามีสติตามรู้ไม่มีสติตามเห็นตามสังเกตตามเข้าใจต่อการกระทบเหล่านี้แทนที่มันจะเปลี่ยนเวทนาแทนที่จะเปลี่ยนเป็นตัณหาอุปาทานชาตดพบใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น สติสมาธิปัญญาไปเลยเปลี่ยนอวิชาเป็นวิชาเห็นไหมนี่คือปัญญาเมื่อเกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นเองในเรื่องนี้ในวันนี้อยากจะให้เราไปศึกษาเรื่องนี้อย่างแยบขายเลยชัดเจนนนี่พอเรานั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงความเบาที่เรายืนไม่ขี้ตอนนี้เริ่มเป็นไงหนักแล้วใช่ไหมลองทุดลองยืนอีทีนี้อย่างรู้สึกตัวเห็นนะแน่ตอนนี้ยายลุกเฉยๆนะลําดับดูว่าความหนักหายไปไง ให้เห็นให้ชัดลุกขึ้นทีละนิดแล้วก็ยืนขึ้นความรู้สึกหนักหายไปทีละนิดเห็นนะจากหนึ่งสักสิบกมาเป็นเลหนึ่งเลสศูนย์ไหมตอนนี้ความหนักเลสศูนย์หมเลสศูนย์อีกสักนิดหนึ่งเมื่อกี่วินาทีมันจะเริ่มต้นดับหนึ่งใหม่ละเห็นไหมให้ดูอย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ตลอดสติสมาธิปัญญาของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นตามลําดับ นะอันนี้คือวิธีการศึกษาที่ที่เราทํากันอยู่แต่เพราะเหตุไรเราฟังกันไม่รู้เรื่องเพราะส่วนให ญ, ญ่เป็นภาษาตํารามิคีหลวงพอยกภาษาตํารามาแค่สิบตัวเราก็งงเลยใช่ไหมเออสุขเวทนาสิตัวทุกเวทนาสิตัวอะทุกเวทนามาสุขเวทนาอีก10ตัวพราพระเอามาเทศอย่างนั้นเราก็ฟังทั้งปีทั้งชาติทั้งตลอดชีวิตก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่เราเอามาพูดในภาษาที่เราเข้าใจได้เนี่ยมอนเตสทันที ดังนั้นเองอันนี้คือวิธีการของข้เทียนคือแก่เอารูปภาษาบาลีทั้งหมดโดยภาษาสภาวะที่เข้าใจได้แล้วเราก็ไปทําถูกแล้วมันก็ไม่ยากนะดังนั้นเองในช่วงเช้าวันนี้เราศึกษากันเรื่องนี้และในวันนี้เป็นวันของเวทนาก็พยายามตามรู้นะไม่ใช่ตามจดตามจ้องตามโนุดตามบีบ บ, บังคับตามเอาไม่เอาตามรู้เท่านั้นเอง จะสุก็ตามรู้ใจทุกข์ก็ตามรู้ตามรู้เพื่ออะไรเพื่อเห็นวิวัฒนาการของมันว่าพัฒนาการจากหนึ่งขึ้นไปเป็นสิบได้อย่างไรเมื่อมันถึงสิบแล้วฉันจะทําให้มันลงมาถึงหนึ่งและเป็นศูนย์ได้อย่างไรดูอัปแอนด์บาวอย่างนี้ตลอดแล้วสติปัญญามันก็จะเพิ่มขึ้นตามลักษณะขการดูเหล่านั้นนะแต่นี้รู้สึกสบายเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้วใช่มผู้เขียนนะอาลองนั่งหลงชา้าช้ายึด ติดในร่างกายของเราที่พอเราปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวเท่านั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นความสบายความสบายเป็นสุขเวนาแล้วตามรู้ก็เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นทันทีและสติมิญะก็เกิดให้ความสบายนั่นเองเป็นธรรมนะดังนั้นในช่วงเชาวนี้ก็ขออนุธนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาได้เรียนรู้สัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้อง เพื่อที่เราจะนำไปปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราเองให้เกิดความสะอาดสว่างสงบพบมรรคนิพพานโดยการทุกคนทุกท่านถือ